สาธุชนผู้สนใจใคร่ต่อธรรมะปฏิบัติทั้งหลายปับันนี้รายการธรรมะเกี่ยวกับภาคปฏิบัติในหมุนเวียนเปลี่ยนมาบรรจบพบท่านอีกวาระหนึ่งโอกาสต่อไปนี้จะได้ปัญญายธรรมะในหัวข้อเรื่องว่าอารมณ์ของวิปัสสนาที่ถูกต้องอารมณ์ของวิปัสสนาที่ถูกต้อง ก็เป็นปัญหาว่าอะไรเป็นอารมณ์ของวิปัสนาที่ถูกต้องแท้ตามหลักคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าวิปัสนาจะมีได้ในสมัยที่พระพุทธเจ้าเกิดขึ้นในโลกถ้าว่างจากพระพุทธเจ้าแล้วคำว่าวิปัสนาจะไม่มีแม้อรากระศัสดาก็เห็นแค่ อนิจจังกับทุกขังอนัตตาไม่เห็นขนาดมีปัญญามากถึงเห็นอนิจจังทุกขังในขณะนั้นก็ไม่จะเห็นในแนววิปัสสนาที่จะให้ได้มรรคผ น, นิพพาน่ดยมากก็เห็นในขั้นกินตามิยะปัญญาเข้าขั้นภาวนาแล้วมันต้องเห็นพร้อมกันหมดทั้งอนิจจังทุกขังอนัตตาถ้าเห็น เฉพาะอนิจจังกับทุกขังอย่างที่ว่ามานี้ก็อยู่ในขั้นจินตามายปัญญาเป็นส่วนมากดังนั้นอารมณ์ของวิปัสสนาที่ถูกต้องได้แก่อะไรก็ควรทำความเข้าใจกันเช่นก่อนว่าอารมณ์ของวิปัสสนาก็คือวิปัสสนาภรมนั่นเองโภมของวิปัสสนานี้ s ทว่าโดยส่วนใหญ่เรียกว่าวิปัสสนาพรมมิปาฏฐะในบาลี ก็ว่าถึงขันห้าอายตนะสิบสองธาตุสิบแปดอินทรีย์ยสิบสองอริยสัจสีปฏิจจสมุปบาท1ิบสองอันนี้คืออารมณ์ของวิปัสสนาที่ถูกต้องแต่เมื่อย่อแล้วก็คือขันห้าเอาท่านนั้นเองคือรูป ก, กับนามที่ท่านแจ ก, กออกไปเป็นอายตนะเป็นธาตุเป็นอินทรีย์นั้นท่านแจ ก, กออกไปเพื่อบุคคลผู้ที่ปฏิบัติ คือคนบางจาพวกยึดนามเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขาถ้าอย่างนี้พระพุทธเจ้าเทศขันธห้าส่วนมากยึดนามเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขาพระองค์จึงเทศขันธห้ามากที่สุดในพระไตรปิฎกแต่เราทาวัดเช้าจะเห็นว่าพังหุลาปวัตติเนี่ยคำสอนที่สอนมากที่สุดก็คือ ขันห้าเพราะคนส่วนมากยึดนามเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขาเมื่อยกเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณขึ้นมาชี้ให้เห็นว่าเวทนาก็ไม่เที่ยงเป็นนนิจจังทุกขังตาเท่านั้นสัญญาสังขารวิญญาณก็จะเห็นได้ชัดขึ้นเพราะมันมีถึงสี่ขันดังนั้นพระองค์จึงนิเทศขันห้า ให้คนจำาพวกที่ยึดมั่นถือมั่นในนามว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขานี่ถ้าคนหมู่ใดยึดมั่นในรูปว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขาพระองค์ทรงแสดงอายตนะสิบสองเพราะในอายตนะสิบสองนั้นมีรูปมากกว่านามในขันห้าหนึ่งรูป สเวทนาสามสัญญาสี่สังขารหวิญญาณสีขันธ์นี่เป็นนามมากกว่ารูปรูปมีขันธ์เดียวที่นี้พอมาถึงอายตนาสิบสองตาหูจมูกลีน้นกายห้านี้ก็เป็นรูปใจเป็นนามรูปเสียงกลิน่นรสผลพระธรมมารมรูปเสียงกลิน่นรสผลพะห้านี้ก็เป็นรูปอายตนาสิบสองได้รูปถึงสิบอย่างแหละใจเป็นนามได้ข้อเดียวแหละพอมาถึงธรรมารม เป็นได้ทั้งรูปทั้งนามก็เป็นา น, นามได้นามเพียงสองได้รูปถึงสิบเอ็ดนะีมากกว่ากันถ้าคนพวกใดถือรูปเป็นตัวเป็นตนพระองค์ทรงแสดงอาณตนะเป็นส่วนมากนี่ถ้าถือขึ้นๆรบางพวกถือรูปบางพวกถือนามพระองค์ก็ทรงแสดงธาตุสิบปดเพราะในธาตุสิบแปดมีรูปกับนามเกือบเท่ากัน ดังนั้นจะพึงเห็นได้ว่าอารมณ์ของวิปัสนาก็าได้แก่วิปัสนาภูมิหน่อยอารมณ์ของวิปัสนาที่ถูกต้องก็คือวิปัสนาภูมิภูมิของวิปัสนาภูมิของวิปัสนาก็มีหกอย่างขันห้าอายณะสิบสองทัศสิบแปดอินทรีย์สิบสองอรยิยสัจสี่ปฏิจสมุบาสิบสองนี่แหละที่ถูกต้องที่สุดหกอย่างนี้แหละเอาเดี๋ยวจะใหญ่ใหญอย่างนี้ก่อนแต่ที่นี่เวลาปฏิบัติอย่ากให้ได้ ย่อที่สุดแต่ว่าถูกที่สุดก็คือกําหนดขันห้านั่นแหละถูกที่สุดแหละขันห้าอยู่ที่ไหนล่ะขันห้าเกิดที่ไหนกําหนดตรงนั้นแหละใช้ได้ทั้งนั้นขอให้ถูกขนันห้าทีเนี้ยนี่อย่างหนึ่งแล้วจะตอบอีกแบบหนึ่งขอให้ถูกสติปัฏฐานสี่เพราะมันเป็นอันเดียวกันนะสติปัฏฐานสี่กับขันห้านี่มันอันเดียวกันนั่นแหละอยู่ที่เดียวกันทั้งนั้นถ้าถูกสติปัฏฐานสี่ก็ถูกขันห้าถูกขันห้าก็ถูกสติปัฏฐานสี่ ให้เข้าใจให้ถูกด้วยอันเนี้ยพราะมัน อ, อันเดียวกันแต่จเจริญสติปัฏฐานสี่ก็คือเจริญขันห้าเจริญขันห้าก็คือกําหนดห้าก็คือวิปัสสนาสติปัฏฐานสี่กัวิปัสสนาเมื่อทําความเข้าใจอย่างนี้แล้วก็โปรดฟังต่อไปอารมณ์ของวิปัสสนาที่ถูกต้องจะอธิบายขันห้าขันห้าก็คือหนึ่งรูปได้แก่ร่างกายทั้งหมดตั้งแต่ผมถึงเล็บ นี่แหละคืออารมณ์ของวิปัสสนาแท้หมายเอาหมททั้งตัวของแต่ละบุคคลเพราะเวลาเป็นอนิจจัง<ม>เป็นหมดทั้งร่างเป็นทุกขังก็เป็นหมดทั้งร่างหมดทั้งตัวเป็นอนัตตาเขาเป็นหมดทั้งตัวดังนั้นอารมณ์ของวิปัสสนาที่ถูกต้องที่สุดคือขันห้าหนงรูปได้จะร่างกายทั้งหมดตั้งแต่ผมถึงเล็บสองวทนาความสวยอารมณ์สุข โกเฉยสบายไม่สบายเฉยเฉยนี้ก็เป็นอารมณ์ของวิปัสนาอยู่ในขันห้าเรียกว่าเวทนาขันสามสัญญาความจำได้หมายรู้นี่ก็อยู่ในขันห้าเป็นขันที่สามเรียกว่าสัญญาขันอันนี้เป็นนามเวทนาขันก็เป็นนามแต่เป็นจิตสิกไม่ใช่จิต ความสบายความไม่สบายเฉยๆนี่เป็นเจตสิกเรียกว่าเวทนาจิตสิกมีหน้าที่แต่งใจคนเกิดกับจิต ด, ดับพร้อมกับจิตมีอารมณ์เดียวกันกับจิตมีอาที่อาศัยเกิดแห่งเดียวกันกับจิตนี่คือตัวเวทนาสัญญาคือความจำได้หมายรู้นี่ก็เป็นเจิตสิกมีหน้าที่จา เกิดพร้อมกับกิตนับพร้อมกับกิจเหมือนกันสังขารคือความปรุงแต่งใจให้ดีไม่ดีหรือให้เฉยเฉยเรียกว่าสังขารท้งนั้นเขาแต่งใจคนอันนี้ก็เป็นนามแต่เป็นจิตสิก์มีหน้าที่แต่งใจเกิดกับใจดับพร้อมกับใจมีโรมเดียวกันกับใจและขันที่5้าก็คือวิญญาณได้แก่กิต นี่เป็นนามแต่ว่าเป็นจิตเป็นใจไม่ใช่เวทนาะไม่ใช่เจตสิกเป็นจิตหรือเป็นใจแต่เกิดพร้อมกันกับเวทนาเหล่านั้นได้อันนี้เราก็ได้แยกแยะออกไปแล้วว่าขันห้าก็คือหนึ่งรูปสองเวทนาสามสัญญาสี่สังขารหาวิญญาณรูปได้แก่ร่างกายทั้งหมดเวทนาได้แก่ความสบายไม่สบายเฉย สบายก็เป็นเวทนาไม่สบายก็เป็นเวทนาเฉยก็เป็นเวทนาสัญญาคือคือความจำได้หมยรู้สังขารก็คือปรุงแตง่งจิตใจของคนปรุงแต่งใจของคนวิญญาณคือคือรู้รู้อารมณ์ต่างๆนี่คือขันห้าย่อแล้วก็เหลือสองคือรูปกับนามรูปกับนามร่างกายทั้งหมดเป็นรูปใจเป็นนามนรวมความแ้วอารมณ์ของอิปัตนาที่ถูกต้องที่สุดก็คือกายกับใจ นี่แหละเป็นอารมณ์ที่ถูกต้องที่สุดกายกับใจแม้จะเป็นอายณะสิบสองก็อยู่ที่กายกับใจอีกธาตุสิบแปดก็อยู่ที่กายกับใจนี้อีกอินทรีย์สิบสองก็อยู่ที่กายกับใจนี้อีกปฏิจจานุบาตสิบสองก็อยู่ที่กายกับใจนี่ไม่ใช่ไปอยู่ที่อื่นหรอกเมื่อเราเข้าใจอย่างนี้มันก็ไม่ยากเลยทีนี้กําหนดที่ไหนก็ถูกละถ้าเข้าใจละเป็นนั้นว่าไม่ต้องไปห่วงอย่างอื่นเอากายกับใจนี่แหละนางนั่น เวลาเดินจงกรมจะเอาใจไว้ที่ไหนเวลาเดินเนี่ยเอายืนก่อนเวลายืนนี่เอาใจไว้ที่ไหนจึงจะถูกต้องจึงจะเป็นอารมณ์ของวิปัสสนาที่ถูกต้องที่สุดเวลายืนเราก็ภาวนาว่ายืนเนาะยืนเนา ะ, น เ, นอะเอาใจไว้ที่ร่างกายทั้งหมดตั้งแต่ผมถึงเล็บนียได้ทั้งนั้นให้รู้อยู่ที่ร่างกายอย่าให้ออกไปที่อื่นและอาการรู้ก็ตรงรู้ในองค์สามหอาตาปี มีความเพียเพรเผากิเกลิดร้อนทั่วคือตั้งใจทำจริงๆไม่ใช่ทำเล่นๆว่ายืนเนาะยืนเนาะแต่ใจหลอกๆๆๆไปชิดเรื่องอื่นก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นใจต้องรู้อยู่ที่ร่างกายของเรานี่แหละไม่ออกไปด้วยอาตาปีมีความเพียเพรเผากิเกลิดร้อนทั่วคือตั้งใจทำสองสติมามีสติสติแปลว่ารู้ระลึกได้ก่อนทำก่อนพูดก่อนชิดก็รู้ตัวอยู่ที่ว่ากำลังยืนเนาะ ยืนนาสติรู้ในอาการยืนด้วยสามสัมปชัญญะรู้ทุกขณะในร่างกายของเรายืนเนอะก็เห็นรูปยืนเหมือนตอไม้นี่แหละยืนเนอะก็รู้อยู่ทุกขณะอย่างนี้เรียกว่าองค์สามนี่แหละถูกต้องที่สุดแล้วกําหนดอย่างนี้แหละถูกหมดทั้งรูปทั้งนามเลยถูกหมดทั้งกายทั้งใจถูกหมดทั้งสติปัฏฐานสี่ นี่คืออารมณ์โหยปรนาที่ถูกต้องที่สุดเวลาเดินนะที่นี่เวลาเดินนะเอาใจไว้ที่ไหนตรงไหนมันพาเดินี่ลองนึกดูสิส้นคนเนี้ยเอาขาเดินเอาเท้าเดินใช่ไหมมันชัดอยู่ที่ส้นเท้าโน้นแล้วเอาไว้ส้นเท้าได้แล้วเอาไว้ที่ไหนลนะ่ะได้ที่ไหนก็ได้เอาไว้หักเข่าได้ไม่ได้เอถ้ากําหนดได้นะแต่ที่ตรงไหนมันได้ผลดีกว่ากันลองทําดูสิเพราะมันถูกหมดนั่นแหละ เวลาเดินเนี่ยจะเอาไว้ที่ไหนเอาไว้ที่ร่างกายทั้งหมดได้ไม่ได้ถ้าทันองสามแล้วนะไถได้ทั้งนั้นแหละความรู้สึกที่เข่านี่ก็ได้แต่ว่าที่ส้นเท้านี่ยมันสําคัญที่สุดตัวเนี้ยพาเดินนะตัวเนี้ยพาไปอะถ้าไม่มีส้นเท้ายกขึ้นเหยียบลงแล้วมันก็เดินไม่ได้แล้วมนุษย์เราเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงใช้คําว่าคัดฉันโตว่าคัดฉามีติปัญณาติเวลาเดินก็ให้รู้ว่าเดิน จะเอาไว้ที่ไหนพระองค์ใช้คํา ก, กว้างๆขัดฉันโตว่าเวลาเดินก็ให้รู้ว่าเดินประชานาติก็รู้ว่ากําลังเดินและจะรู้ตรงไหนทีนี้ไม่บอกละเอียดเลยทีนี้เป็นหน้าที่ของผู้ปฏิบัติตจงศึกษาแล้วเอาไว้ตรงไหนนะ่ะแล้วลองเอาไว้ดูกันเลยกันเดินน่ะเอาไว้ในร่างกายทั้งหมดก็อ้อยทิ้งว่าเข่าก็ไว้ที่ทส้นเท้าอันไหนดีกว่ากันถูกทางนั้นนะอย่านึนว่าผิดนะต้องใจกว้าง อย่าไปเอาแห่งเดียวไม่ได้เดี๋ยวนึกว่าเอาคนหนึ่งเอาร่างกายทั้งหมดนึกว่าของตัวโทกคนหนึ่งเอาส้นเท้านึกว่าของตัวโทมันโทได้กันทางนั้นนายโยมนะเขาให้ดีนะมันตาบอดคำช่างเหมือนกันเลยช่างตัวเดียวกันนั่นแหละใครเอาไว้บนศีรษะไปพม่าเขาเอาไว้บนหัวให้เด็กๆนั่งเขาก็หนดที่กลางหัวเลยมันก็โทของเขาแล้วอาจารย์มงคลเอามือไปมาไปมาก็โทนะไม่ผิดนะเพราะมันไม่ออกจากกายอารมณ์ของปรัชนาก็คือกายทั้งหมดเนี่ย ท่านเอาไว้ที่ไหนก็ได้พระพุทธเจ้าท่านใช้คํากว้างๆแต่เบื้องแรกเอานั่นก่อนขัดฉันโตวาขัดชามีเทวชาณตีเดินก็ให้รู้ว่าเดินนี่ทิ้งไว้อย่างนี้ก็หมายความว่าเดินก็ให้รู้ว่าเดินคือให้กําหนดให้ได้องค์สามจะกําหนดอย่างไรจรึงจะถูกองศาสามถ้าใครถูกองศาสามใช้ได้แล้วแล้วให้ถูกสติปัฏฐานสี่กำหนดตรงไหนจึงจะถูกสติปัฏฐานสี ลองกำหนดดูสิใครจะกำหนดแบบไห น, นให้มันถูกสามอันนี่เป็นอันว่าใช้ได้อืมเหมือนตาบอดคำช้างเลยไปถูกสีข้างมันก็ถูกช้างตัวเดียวกันถูกหางมันก็ถูกช้างตัวนั้นแหละะไปถูกขาก็ถูกช้างตัวนั้นแหละไปถูกงวงมันก็ถูกช้างตัวนั้นแหละไปถูกใบหูมันก็ถูกช้างตัวนั้นแหละเอออย่างนั้นถูกเดียกันท น, นั้นนะ่ะทีนี้เมื่อเดิน เราเอาไวส้สิส้นเท้านี่มันได้ผลไวกว่ากันถ้าคนที่เคยเดินนะแล้วแต่ความชำนาญเวลาภาวนาก็ว่าขวาย่างนอ no. แล้วจะว่ายังอื่นไไม่ได้โยมว่ายังอื่นก็ได้ฝรั่งเขาก็ไม่ได้วอกขวาย่างนะพม่าเขาก็ไม่ได้ว่าขวาย่างนะาาาาาางนะชาติใดภาษาใดาเขาก็ว่าตามภาษาของเขานะแต่ต้องให้ได้องาสามสำคัญตรงนี้ นี่แหละที่ถูกต้องที่สุดวิปัสสนาที่ถูกต้องที่สุดคือให้ได้องค์สามยืนยืนนิพพลังเขาก็ไม่ได้ว่ายืนหน่อมนอันเราพม่าเขาก็ไม่ได้ว่ายืนหน่อมนอันเราภาษาใครภาษาหมันเพราะฉะนั้นต่างคนต่างว่าแต่ต้องให้ได้องค์สามสำคัญตรงนี้ธรรมะของอุรจารเลยไม่ขัดโลกเลยสําคัญองค์ธรรมถูกองค์สามเลยใช้ได้ทั้งนั้นสําคัญอยู่ตรงนี้วิปัสสนา ที่ถูกต้องที่กําหนดก็คืออารมณ์ที่ถูกต้องคือขันห้าหรือลูกกนามเหลือจะกําหนดได้ถูกต้องที่สุดก็คือประกอบด้วยองค์สามเท่าเนี้ยฉาดได้ภาษาใดก็ตามถ้าประกอบด้วยองค์สามเลยถูกเท่านั้นส่วนบทภาวนาเนี่ยจะว่างไว้ก็ได้แต่ต้องให้ถูกองค์สามทีนี้เท่าที่นักปราชญ์ท่านรวบรวมประมวลมาแล้วแต่ภาษาไทยเราก็ว่ายืนหน้อยยืนน้อยนี่ถูกที่สดุดเดินก็ขวาอย่างหน้อซ้ายอย่างน้อยี่ยมันถูกที่สดุดนี่ที่ทํามาแล้วมันเป็นอย่างนี้ มันถูกตรงไหนแล้วมันถูกขันห้าไหมสิเนี่ยเเราจะรู้ว่าอารมณ์ห้อยปัจนาผิดหรือถูกเราก็ดูว่าถูกขันห้าไหมภาวนาว่ายืนนอยืนนอนี่ถูกขันห้าไหมถูกแล้วตรงไหนเป็นรูปร่างกายทั้งหมดตั้งแต่ผมถึงเล็บเป็นรูปนี่ถูกไปแล้วขันหนึ่งแล้วตรงไหนเป็นเวทนาขณะที่ยืนนอยืนหนอเนี่ยบางคนมันเหนื่อยอ่อะอนี่ก็เวทนาก็มีแล้วแล้วบางคนก็ใจก็รู้กำลังยืน่ยนี่จิตมันก็มีแล้ว ร่างกายที่ยืนทั้งหมดนี่เป็นตัวธรรมานุปัสสนาแล้วขันห้าเป็นตัวธ ร, รมมะเมื่อโูกแล้วรู้ไม่รู้ก็ช่างแต่กำหนดโทรเรามันใช้ได้เหมือนเราเดินไปสนามหลวงนี่แหละอาราโยมไปเห็นสนามหลวงโยมจะไม่รู้เลยเป็นสนามหลวงมีแต่ต้นมะขามมีแต่อะไรเวลาก็เลิกวันเสาร์วันอาทิตย์โอ้กระดาษเต็มสนามหลวงเนี่ยถึงโยมจะไม่รู้สนามหลวงมันก็ถูกสนามหลวงงั่นตัวสภาวะ อันนี้เหมือนกันจะไม่รู้มันเป็นรูปเป็นนามแต่พอกําหนดมันถูกแล้วเนี่ยถูกรูปถูกนามแล้วเหมือนอย่างนี้เหมือนโยมเห็นรถไฟเนี่ยโยมจะไม่ต้องไปทักว่ารถไฟรถไฟหรอมันก็ถูกรถไฟอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเมื่อเรารกําหนดยืนหนอยืนหนอไม่ต้องไปว่าขันท่ามันก็ถูกแล้วถูกรูปกับนามแล้วเอ๊ะถ้าอย่างนั้นต้องว่ายืนหนอทําไมเพราะมันถูกอยู่แล้วอ๋ออันนี้เขาเรียกภาวนาถูก คือหนอนี่ถึงเราไม่ว่ามันก็เป็นรูปเป็นนามอยู่แล้วแต่ถ้าไม่ว่าไม่ใช่เป็นกรรมฐานนั่นมันเป็นอะไรอ่ะมันก็เป็นธรรมดาดิเออไม่ว่ามันก็ไม่เป็นกรรมฐานเพราะอะไรเพราะขาดปริกรรมภาวนากรรมฐานาจะต้องมีปริกรรมภาวนาคือต้องบริกรรมถ้าไม่บริกรรมเราเป็นกรรมฐานาไม่ได้นี่มันหลักสําคัญตรงนี้รู้อยู่เฉยเฉยใช่ใครเขาก็รู้รู้มาตั้งแต่ มัอนจะออกแล้วไม่ใช่ไม่รู้ยืนใครก็รู้เดินใครก็รู้อย่าว่าติดคนเลยวัวเขาก็รู้ควายเขาก็รู้ไก่เขาก็รู้เป็ดเขาก็รู้เขาเดินเขายืนเขารู้ของเขาทอนหนึ่งเขานิ่งนิ่งเขาก็รู้เขานิ่งฮะมันวิ่งเขาก็รู้ของเขาวิ่งดูเขาก็เห็นอยู่ของเขาอะตาเขาเห็นนี่อาหารอันไหนดีไม่ดีเขารู้ทั้งนั้นแมวแมวก็ดีมากกว่าดีรู้ทั้งนั้นแหละไม่มีใครจ่ไม่รู้อ่ะถ้าไม่รู้ก็เอาเข้าปากเขาไปไหนแล้วแต่มันต่างกันตรงไหนนะฮะ บาลีท่านถามว่าโกคัตจติใครไปทา่านตั้งปัญหาถามให้ไม่ตั้งปัญหาถามว่าใครเป็นคนยืนเป็นคนไปเดี๋ยวนี้ยต้องการให้มีสติรู้เขาเรียกปาริกรรมมาภาวนาถ้าเไม่ภาวนาแล้วเป็นกรรมฐานไม่ได้ถ้าเป็ น, ปนได้เราลองนึกดูสิเราไปจ่ายตลาดสนามหลวงหรือตลาดไหนก็ตามที่เราไปเคยจ่ายตลาดเราก็าไปเลือกเอาแตงกวาไปเลือกเอาผักบุ้งเลือกเอาผักขี้ร่ำ เลือกเอาเนื้อหัวเลือกเอาเนื้อหมูเลือกเอาเนื้อเป็ดเนื้อไก่เนื้อปลาเนื้อกุ้งเนื้อหอยอ่าเราก็ยืนดูไปเลือกเท่านั้นเห็นหรือเปล่เห็นรู้ไหมรู้สติมีไม่มีแต่เป็นกรรมฐานไม่เป็นไม่ได้เพราะอะไรเพราะไม่ภาวนาฮึไม่ภาวนาเป็นไม่ได้ดังนั้นสําคัญอยู่ที่ปริกรรมภาวนาเอาล่ะสมมุติเรายืนเนี่ยเราก็รู้ว่าเรายืนใช่แต่รู้อย่างนี้มันรู้ได้อะไร ท่านเรียกว่ารู้ด้วยยาณคติธรรมยืนนี่ใครเขาก็รู้ยืนคอยรถก็รู้ยืนทําอะไรก็รู้เท่านั้นรู้ว่ายืนแต่รู้อย่างนั้นไม่ใช่เป็นกรรมฐานมันรู้ด้วยอะไรท่านกล่าวไว้ว่ารู้ด้วยยาณคติธรรมธรรมะที่มีคติเหมือนกับตัวปัญญายา น, น่ะคือปัญญาคติก็มีคติก็มีหลักคล้ายๆ ก, กันกับตัวปัญญา มีอยู่ห้าอย่างหนึ่งโมหะเนี่ยขณะที่ดูเนี่ยเขาดูด้วยโมหะทาไมจึงเป็นโมหะเพราะไม่มีสติกําหนด้สติมีอยู่ใช่สติอันนั้นต์เป็นมิจฉาสติไม่ใช่สัมมาสติเพราะอะไรเพราะขาดปริกำเป็นสติแต่มิจฉาสติสติมีสองนะไม่ใช่สัมมาสติไม่ใช่สติในมักแปดเป็นสตินอกมักสตินอกมักนี่เป็นมิจฉาสติไม่ใช่สัมมาสติอืยังอยู่ในขายของโมหะ โมหะคือตัวอวิชชาเนี่ยรู้ดีที่สุดบัญญัติแต่ไม่รู้ปรมาทัตน์นะครับเพราะฉะนั้นอวิชชานี่รู้บัญญัติ ด, ดีที่สุดแต่ไม่รู้ปรมาทัศน์คือไม่รู้ทางไปนิพพานาอื่นก็รู้ดีที่สุดเลยนั่นแหละเขาเรียกว่ารู้ด้วยญาณคติธรรมคือธรรมะที่มีลักษณะคล้ายกันกับปัญญาได้แก่โม ห, หะหนึ่งโลภะหนึง่งทิฏฐิหนึ่งวิตตกหนึ่งวิจารหนึ่งอันนี้จําไว้ให้ดีนะ ลองไปเทียบดูสิเราไปยืนดูรถไปวิ่งมารถยนต์วิ่งมาไปดูเขาขายของอยู่ที่ตลาดตามที่เราใกล้บ้านเราหรือเราไปจ่ายตลาดลองดูเถิดดูไม่กำหนดมันไม่จะเป็นกรรมฐานหรอกก็ดูได้ลักษณะห้าประการหนึ่งดูด้วยโมหะไม่ใช่ไม่รู้นะโมหะรู้ดีที่สุดขายปลาก็รู้ขายกุ้งก็รู้ขายเป็ดขายไก่รู้รู้ทั้งนั้นแต่รู้อย่างนี้ไม่ใช่ปัญญา เป็นแต่เป็นมิจฉาสติเป็นตัวโมหะอืมที่รู้แลลวมันสวยมันงามดีกว่าโลภะเฮทิฏทิเขาก็มีวีตกก็มีวิจารณ์ก็มีในขณะนั้นเพราะฉะนั้นการรู้อย่างนี้ไม่ใช่ถ้าไม่กำหนดไม่เป็นต้องกำหนดยืนเนาะอยู่น้อนแล้วกำหนดยืนแต่ใจไม่อยู่กับตัวก็ไม่เป็นอกีกไม่ถูกอีกต้องมีองค์สามจึงจะเป็นสมาจึงจะเป็นได้ในที่นี้ ทีนี้ทําไม่ภาวนาไม่กําหนดเป็นไม่ได้อันนี้สําคัญตรงนี้นะ <c oughs> คือบางคนก็เข้าใจว่าเออเราก็รู้ว่ายืนอยู่นี่เจ้าก็ให้กำหนดทําไม อ, อย่างเนี้ยอาสมมติจังปวดฟันอย่างนี้เหมือนกันนะเราปรวดฟันจะเป็นต้องว่าปวดหนอปวดหนอทําไมเรารู้อยู่ถึงไม่ว่าก็รู้ใช้แต่ทุกคนก็รู้อย่ว่าแต่คนเลยหมามันก็ยังรู้มันเจ็บ้องหนังสติ๊กยิงที่มันร้องสุดเสียงแมวเหมือนกันหมาฟัดแมวมันร้นมมนองมันเก็บ อ, ะอ่ะฮะ แล้วมีใครไปบอกว่าแมวเออมันเจ็บนาหมากัดนี่ไม่ต้องบอกเขาก็รู้แล้วก็ถ้าพระพุทธเจ้ามาสอนแค่นี้จะน่าอาัศจรรย์หลืศาสนาเนี่ยดังนั้นการกําหนดปวดนี่ไม่กําหนดมันก็เป็นทุกขเวทนาเฉยเฉยไม่ใช่เป็นทุกขอริยสัตทุกขเวทนาปวดฟันนี่เราปวดทุกคนก็รู้อันนี้เขาเรียกทุกขเวทนาไม่ใช่ทุกอริยสัต์ ถ, ถ, ถ้าหากว่าเรากําหนดปวดนอปวดนอนนี่สิลงมือกําหนดนี่จึงจะเป็นทุกขะอริยสัตว์ได้เพราะเหตุไรก็เพราะว่าสติมันไปรู้อาการปวดเห็นอาการปวดมันจะมากเข้าอูมากเข้านี้คืออนิจจังเขาเกิดขึ้นอาการปวดทนอยู่ไม่ได้จากน้อยเป็นมากในตัวทุกขงังอาการปวดไม่มีใครบังคับได้นี่คืออนัตตาที่กํากหนดเกิดไม่ได้ อ, อนิจจังทุกขังตาไม่เห็นแล้วแล้วก็จะโดนนี่ต่างหาก เพราะฉะนั้นตึงการกาหนดปวดเน้อปวดหน้อปวดน้อปวดน้ อ, ปน อ, ปนอไปถึงไหนจึงจะเห็นผลไตรรักเห็นตั้งแต่กาหนดเขามีอยู่แล้วอาการปวดที่เริ่มเกิดขึ้นนิดนิดนิดนิดจนมากเข้ามาเข้านี้เละคืออนิจจังไปว่าสิน้นสิ้นจากน้อยเป็นมากจากมากเป็นหายนี่คืออนิจจังทุกขังก็อยู่ที่เดียวกันอาการที่อาการปวดทนอยู่ไม่ได้ ไม่ใช่เก็บไม่ใช่ปวดนะทุกขังทุกอริยสัจทุกเวทนาตัวนั้นทนอยู่ไม่ได้ต่างหานั่นเขาเรียกว่าทุกขอริยสัจเวทนามันก็เป็นอนิจจังทุขขเวทนาก็เป็นอนิจจังโดยทุกขังด้วยนิตาด้วยทุกขเวทนาก็เป็นอนิจจังทุกขังตาด้วยอุเบกขาเวทนาก็เป็นอนิจจังทุกขังตาด้วยเป็นอนิจจังทุกขังตาในอริยสัจอือันนั้นมันเป็นทุกขเวทนาเป็นเวทนาตามธรรมดาถ้าไม่กําหนดเป็นทุกขอริยสัจไม่ได้ อหมเมื่อกำหนดอย่างนี้จึงจะเป็นกรรมฐานทำไมกำหนดเป็นไม่ได้มันก็เป็นด้วยอำนาจโมหะโลภะทิพีวิตกวิจารแต่ถ้ากำหนดไม่เป็นแล้วเป็นด้วยอำนาจสติแล้วทีนี้นี่สติปัฐานแล้วเอาใจว่าฉะนั้นต่างกันนะอารมณ์ของวิปัสสนาที่ถูกต้องที่สุดก็คือขันห้าขันห้าก็คือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเวลายืนแล้วกำหนดยืนเนายืนเนาะนี่คือกำหนดขันห้านี้แหละถูกต้องที่สุดแล้วแต่ต้องให้ได้องสามนะ ท่นเวลาเดินเอาใจวิธรส้นเท้าถูกที่สุดทํำไมจึงถูกเพราะขันห้าถูกขันห้าไหมเราอยากจะรู้ผิดหรือถูกต้องเอาสูตรขันห้ามาวัดมาเทียบดูสิเราก็โนดยืนหนอนี่ถูกขันห้าไหมถูกเมื่อถูกก็ถูกต้องแล้วโรมของวิปัสสนาอารมณ์ของวิปัสสนาร้อยเปรเซ็น์แล้วยิ่งเมื่อเอาขาขวาเดินตรงกรมขวาย่างหนอเนี่ยถูกขันห้าไหมถูกตรงไหนเป็นรูปส้นเท้าที่ก้าวไปทั้งหมดทั้งตัวแหละแต่ทัติมันอยู่ที่ส้นเท้าก็เอาส้นเท้าเนี่ยเป็นรูปประคัน แล้วในขณะที่ก้าไปในรู้สึกสบายเป็นสุขเวทนาไม่สบายทุกขเวทนาเฉยอุเบกขาขาเวทนาไม่ขอใดก็ขนันงเป็นนอเวทนาก็มีแล้วเราจําำจิตของเรารู้กําลังส้นเท้ากําลังเคลื่อนที่ไปนี้จิตตานุปัสสนาแล้วเนี่ยว่าถึงสติวัฏฐานสี่ก็มีแล้วทีนี้ว่าถึงขั้นห้าขาส้นเท้าที่ก้าวไปเป็นรู ป, ปรขัน รู้สึกสบายไม่สบายเฉยเป็นเวทนาจําได้ว่าข้าวขวากํ า, ล, าลังขึ้นที่ไปว่าขวานี่จําได้นี่สัญญาขันแต่ไงเห็นว่าก้าวสั้นก้าวยาวเดินสบายไม่สบาย ส, ายสังขรารขันผู้ที่เราจ้องอยู่ที่ส้นเท้านี่วิญญาณคือกิจครับข่าขันก็ถูกแล้วนี่ถูขันห้าเนี่เมื่อถูกขันห้า น, นี้แหละอารมณ์ของวิปัสสนาที่ถูกต้องที่สดุดก็คือขันห้าเพราะฉะนั้นเดินจงกรเ ม, มือ่อโทกขันห้าเป็นอะไรใช้ได้ ทีนี้จะเป็นวิปัสนาที่ถูกต้องก็ต้องมีองค์สามเนินตั้ ง, งใจสองคอยจ้องสามคอยจับเมื่อทําได้อย่างนี้อะพิชชาโทมานัสสังจึงสามารถจะละความโลภความโกรกหลงในอัตตาของเราได้อาละท่านสาธุชนผู้ใจบุญทั้งหลายเทปเรื่องนี้ให้ข้อข้อเรื่องว่าอารมณ์ของวิปัสนาที่ถูกต้องได้แก่อะไรก็ได้แก่ขันห้าย่อลงมาก็คือรูป ก, กับนามขันห้าอยู่ที่ไหนกําหนดที่นั้นถูกมดัด การ น, นี้เอาไว้เท่านี้ก่อนกันต่อไปยังจะมีพิดารกาคนนี้อีกเราจะได้พิสูจน์ขันท่ามันอยู่ที่ตรงไหนเราจะได้ไม่ให้เหมือนตาบอดคำช้างให้รู้ว่ามันถูกช้างโดยกันทางนั้นแหล ะ, ะท่านสาธาชนผู้ใจบุญทั้งหลายบัดนี้รายการวิปัสนากรรมฐานกานนี้สมควรจเวลาแล้วขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขออำนาจคุณบดีรัตน์ไตรอติไซยุนยเขต จนให้เป็นเหตุเป็นปัจจัยปกป้องรักษาญาติโยมผู้ใจบุญทลายให้อยู่เย็นเป็นศกปราศ จ, จากทุกโศกโครคภัยเจริญด้วยอายุวันณนะสุขะภาะปฏิภานธรรมสารสมบัติตลอดกันเป็นนิดด้วยกันทุกท่านเทินสาธุชนผู้นนสนใจใคร่ต่อธรรมะปฏิบัติทั้งหลายการฟังธรรมะไม่ขดัดทนมีแต่ได้กาไรทั้งนั้นเพราะเป็นบุญเป็นกุศล สมเด็จพ่อของเราจึงได้สอนเราท่านถลายไว้ว่ากาเรณนะธรรมสวนางเอตัมมังคละมุตตมังการฟังธรรมตามการตามสมัยเป็นมงคลอันสูงสุดดังนี้มงคลคือความดีของงามความเจริญรุ่งเรืองความสุขกายสบายใจหรือบุญกุศลทุกคนต้องการเพราะใครมีมงคลติดตัวคนนั้นก็เป็นผู้มีความสุขเอตาทิซาในกัตตวานะ สัพพะโสถิงขัดชันติตันติสังมังคารุงตระมางเมื่อเราทำประพฤติปฏิบัติตามมงคลเหล่านี้แล้วพระพุทธเจ้องค์าจะถึงแต่ความสุขความเจริญขัดชันติโสถิงขัดชันตินี่จะถึงแต่ความสุขความเจริญจะมีแต่ความสุขกายสบายใจในที่ตกสถานในการตกเมื่อดังนั้นเราฟังธรรมะนี่ก็หาบุญกุศลหาผลกําไรชีวิตหามงคลเข้าตัวของเราโดยแท้จิ่งถือว่าเป็นโบน ให้เกิดความสุขกายสบายใจถ้าได้น้อมนําไปปฏิบัติก็เป็นโอสถที่เนี่ยสักกัตตวาธรรมรัตนังโอสถังอุตตมังวรางถ้าผู้ใดได้ปฏิบัติตามพระธรรมแล้วโอสถทังเป็นโอสถโอสถก็แปลว่ายาอุตมังอันสูงสุดวรังอันประเสริฐทั้งประเสริฐทั้งสูงสุดด้วยนิยาคือพระธรรมของพระพุทธเจ้าแก้โรคคือกิเลสแก้โรคคือความทุกข์ความยากแก้โรคตัดภพบตัดชาตินั้นสําคัญที่สุด คือตัวบุญโ ก, โกโสสุลสวนที่กล่าววันนี้ที่เฉพาะวันนี้ก็จะได้ว่าต่อว่าต่อถึงอารมณ์ของวิปัสสนาที่ถูกต้องถึงสองกันกันแรกจบแล้วในกันที่สองว่าได้แก่อะไรกันแรกตอบแล้วว่าได้แก่ขันห้าคือรูปกับนามนี้เป็นอารมณ์ของวิปัสสนาที่ถูกต้องทีสดขันห้าเกิดที่ไหนหรือรูปนามเกิดที่ไหนที่นั้นแหละ เป็นอารมณ์ของวิปัปนาอาสมมติโยมนั่งฟังอยู่เดี๋ยวนี้ขันห้าเกิดหรือยังเกิดแล้วตรงไหนเป็นรูปขันห้ามีห้ารูปเวทนารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณโยมฟังเสียงอัตมาเดี๋ยวนี้ขันห้าเกิดหรือยังถ้าขันห้าเกิดแล้วอารมณ์ของวิปัสนาที่ถูกต้องก็มีแล้วที่หัวของโยมเลยแหละเอาลองหาดูสิตรงไหนเป็นรูปตรงไหนเป็นเวทนาตรงไหนเป็นสัญญาตรงไหนเป็นสังขารตรงไหนเป็นว<อ>ิญ ญ, ญาณ โยมลองคอยฟังถ้อยตรู ด, ดูนะเสียงของอัตมา ก, กระทบหูโยมหรือยังโยมได้ยินแล้วใช่ไหมได้ยินแล้วขันห้าเกิดหรือยังเกิดแล้วตรงไหนเป็นรูปเสียงเป็นสัตวรูปหูโยมเป็นโสตประสาทรูปเสียงกับหูเป็นรูปประขันได้หนึ่งขันเลยโยมได้ยินปุ๊บเกิดปั๊บทันทีเลยขันที่หนึ่งนี่นะแล้วโยมรู้สึกยังไงได้ยินเสียงอัตมาแล้วรู้สึกถ้าใครชอบก็สบายใจถ้าใครไม่ชอบโออะไร น้อนเน้นแหน่มาจากไหนก็รู้แอะอนนี้ม่ชอบมันก็เป็นทุกขเวทนาก็เป็นเวทนาขันดิกระแลถ้าใครฟังแล้วก็เฉยเฉยนี่อุบีขาเวทนาก็เวทนาขันทั้งนั้นใครชอบก็เป็นเวทนาไม่ชอบก็เป็นเวทนาเฉยก็เป็นเวทนาได้สองขันแล้วนายโยนาโยมจําได้ไหมคันนี้เสียงเสียงกําลังอธิบายธรรมะใช่ไหมเออจําได้ในเสียงอาจารย์นอหลวงพ่อเนอมาแล้ว หรือเสียงท่านอธิบายธรรมะมาแล้วนะโยมก็จําได้นี่เป็นเสียงเสียงกําลังอธิบายธรรมะหรือกําลังเทศกําลังบรรยายที่เป็นเสียงนะจาได้ว่านี่เสียงบรรยายธรรมะนี่แหละตัวสัญญาล่ะเนี่ยสัญญาขันล่ะในสองขันแล้วอย่างน้อยที่สุดจําได้ว่าเสียงก็เป็นแล้วยจะเป็นใครก็ตามแต่ฮะจาว่าได้นี่เป็นกําลังได้ยินเสียงอยู่มันเป็นสัญญาแล้ว แต่จำชื่อได้อันนี้เสียงจากคุณเทพสจดีย์มณีอ่ะนี่ก็เป็นสัญญาอีกเลยจำได้วนี้นเสียงหลวงพ่อหนออาจนหนอไปแล้วก็ใช่สัญญาทาั้งนั้นอืมอ้าวสังขารทีเนี่ยเป็นไงไอ ย, ยินได้ยินเสียงอัตมาแล้วใจโยมเป็นไงโยมท่านอกคนไหนชอบเนี่ยดีเนี่ยนี่แหละสังขารแต่งให้เห็นว่าดีถ้าใครไม่ชอบโหผุดอะไรก็ไม่รู้ไม่รู้เรื่องแล้วอันนี้สังขารละขันมันแต่งให้ไม่ดีใช่อีกแล้ว ถ้าเฉยๆก็สังขารใช่ะแต่งน่ี่ปรุงแต่งใจโยมให้เห็นไปอย่างนี้เห็นไหมองค์เดียวกันแต่แต่แต่ว่าบางคนก็ชอบบางคนก็ไม่ชอบแต่บางคนก็เฉยเนี่ยเพราะสังขาร ไ, ไม่ไม่แต่งใจโยมสังขาร น, นี่เป็นน้ำแต่งใจของโยมให้รู้เป็นอย่างนี้ให้เห็นอย่างนี้แต่ที่ได้ยินแววแววเนี่ยได้ยินนี่ไม่ใช่หูนะโยมนะอ ะ, อะไรได้ยินแล่าใจเขาเรียกโสตวิญญาณในจิตจิตดวงหนึ่งอาศัย ประสาทหูเกิดขึ้นก็คือใจนั่นเองแหละโยมที่ได้ยินนี่ใจได้ยินไม่ใช่หูนะอา้าว้าโยมตอบว่เฮ้ยหูเท่านั้นแหละทาไม่มีหูมันจะได้ยินเหลยฮะโยมก็อาจจะคิดคนตายใหม่ๆหูมีใช่ไหมโยมมีหูมีเนี่ยมือวันซึนนี่ไปเป็นลดน้ําพระไปลดน้ําำยกคุณสุขมุมอ่ะทำไมาจาย์วัดหงอ่ะอหูยังมีอยู่แต่ท่านไม่ได้ยินหรอกเพราะท่านตา ย, ลยแล้วะขาดในขาดใจ เพราะฉะนั้นผู้ที่ได้ยินนี่เขาเรียกว่าใจเรียกว่าวิญญาณเรียกว่ากิตอันเดียวกันนั่นแหละครบห้าขันหรือยังได้ยินเสียงอัตมาได้ยินเสียงใครก็ตามได้ยินครั้งหนึ่งครั้งหนึ่งขันห้าเกิดแล้วก็เมื่ออาขันห้าเกิดแล้วอารมณ์ของวิปัสสนาที่ถูกต้องก็เกิดแล้วใช่ไหมใช่นล้วถ้าเรากำหนดได้ยินน้อยได้ยินน in ้อยินน้อยยินน้อยชื่อว่ากําหนดวิปัสสนาหรือยังกําหนดแล้วถูกหรือยังถูกแล้วถูกอะไรถูกขันห้าถูกรูปกนามแล้ว ก็มื่ถูกแล้วมันก็หมดปัญหาแล้วทีนี้ที่เราจะไม่ถูกไม่มีอะไรี่ยมันพ้นถูกแล้วนะกําหนดถูกแล้วนี่อ้าวนี่ว่าถึงว่าถึงเสียงทีนี้ถ้าเรานั่งล่ะเรานั่งกําหนดพองน้อยุบหนลอล่ะอ้าวทีนี้ไม่เดินแล้วตอนนี้นั่งแล้วถูกไหมกําหนดท้องพองน้อยุบหนอเนี่ยถูกอ้าวถ้าเราจะว่านั่งหนอนั่งหนอถูกไหมถูกทําไมจึงถูกก็เพราะ รูปนั่งทั้งหมดตั้งแต่หัวถึงเล็บนี่เนี่ยเป็นขันห้าแล้วรูปที่กําลังนั่งอยู่นี้เป็นรูปปักขันในขณะที่นั่งอยู่นั้นเราก็รู้สึกสบายไม่สบายเฉยๆเป็นเวทนาขันเราจําได้ว่ากําลังนั่งนี่เป็นสัญญาขันแต่งให้เห็นว่านั่งท่า น, นี้มันดีหรือไม่ดีแน่นี่สังขารละขันพูดที่รู้ว่ากําลังนั่งนี่คือวิญญาณนั่งก็ถูกขันห้าแล้ว ถ้าเมื่อถูกขันห้าแล้วก็เป็นเป็นอารมณ์ของวิปัสสนาที่ถูกต้องหรืออย่างถูกต้องหมดแล้วอ้าวทีนี้ไม่เอานั่ง่ะโยมจะเอาพองหนอยุบหนอล่ะถูกไหมถูกทําไม่จึงถูกเพราะมันถูกขันห้าถ้าขันห้าเกิดทีนั้นอารมณ์วิปัสสนาที่ถูกต้องที่สุดก็อยู่ตรงนั้นแหละท้องพองนี่เป็นรูปประคันท้องยุบนี่เป็นรูปประคันถ้าเรารู้สึกสบายในขณะพองขณะยุบก็เป็นเวทนาขันเรารู้สึกไม่สบาย อึดอัดก็เป็นเวทนาขันเฉยๆก็เป็นเวทนาขันเรียกว่าอุเบกขาเวทนาแล้วเราจำได้ว่าท้องกำลังพองกันุนี้สัญญาขันแต่งให้เห็นว่าพองมากพองน้อยพองสั้นพองยาวนี้สังขารขันผู้ที่รู้ว่าท้องกำลังพองกันผู้นี้วิญญาณครบห้าขันพอดีเมื่อครอบห้าขันพอดีขันห้าถกถกเกิดหรือยังเกิดแล้ว เมื่อเกินแล้วเราภาวนาว่าพองน้อมเนาะถูกขันห้าหรือยังถูกแล้วเอ๊ะถ้าไม่ภาวนามันก็มีอยู่ใช่ไหมใช่นอนหลับเขาก็มีนั่งทายนั่งอึอยู่ในห้องน้ำของโซงเขาก็มีทานข้าวอยู่เขาก็มีฟังเทศอยู่เขาก็มีคลองยุบมีอยู่อย่างนั้นแหละยุดเมื่อได้ตายเมือนั้นไม่หยุดก็ตายอยู่แล้วแต่มันตายโดยคณิกะมรณะแต่ตายเด็ดตายอสมมุติมันเมื่อหยุดมอะไรมันก็ตายโดยสมมติทสัจจะแล้วมันตายอยู่แล้วเนี่ย นังนั้นขันห้ามีเปล่าเวลาพองเนาะยุบหนอเมื่อพองเนอยุบหนอเป็นขันห้าการกําหนดพองยุบ ก, ก็ถูกวิปัสสนาเนี่ยไม่มีที่จะไม่ถูกอ่ะเพราะอารมณ์วิปัสสนาคือขันห้านี่อย่างหนึง่งเอาที่นี่หาหลักฐานต่อไปจีพระพุทธเจ้าเทศน์ไปในพระไตรปิฎกนั่นแหละวะ่ายะถายะถาวาปนัสสะกาโยปนิหิโตโหติตาถาตาถานำประชานาติ กายของเรามันน้อมไปโดยอาการใดๆรู้อาการนั้นๆก็เป็นกายานุปัตนาก็ถูกแล้วถูกขั้นหน้าแล้วหมายก็ว่าในตัวของเราเนี่ยนี่เป็นปัญหาครอบจั ก, กรวาลบทนี้ถูกมดัดหมายก็ร่างกายมันจะน้อมไปทางไหนมันจะอยู่ในท่าไหนก็ตามเพราะนัเรานั่งมันก็อยู่ท่าพองท่ายุบมันก็ถูกแล้วนี่ก็ท่านึงอ่าพอในบาลีว่าท่านไหนก็ตามยะท้ายะทาวาปนัสสะ กายอยู่ปณิหิโตโหติกายมันน้อมไปในธาไห น, นมันจะอยู่ในลักษณะไหนก็ตามรู้ในอาการนั้นธาตุนั้นถูกต้องหมดเลยนี่นี่ปัญหาครอบจั ก, กรวาลไม่น่าจะมีปัญหาอีกแล้วอย่างเนี้ยมันหมดแล้วเรียกว่าเอาออกมาให้ตีแผ่ให้รู้หมดแล้วหมดดับหมดใจหมดใส่หมดพงุงไม่มีเหลือแล้วจะอยู่แง่ไหนเมื่อถูกขนันห้าเมื่อถูกขนันห้านี่แหละคืออารมณ์ของวิปัสสนาที่ถูกต้องที่สดไม่ต้องไปงงสงสัยแล้วทีนี้อ่า เมื่อถูกขันห้าก็เป็นอาไรใช้ได้นี่คืออารมณ์ของวิปัสสนาที่ถูกต้องที่สุดในขณะที่นั่งพองน้อยุบน้อยพองน้องน้อถูกขันหน้าไม่ถูกเมื่อถูกขันหน้ามันก็เป็นอารมณ์ของวิปัสสนาแล้วทีนี้อาการของกายนอมไปโดยอาการใดเมื่อก็ถูกแล้วจะนอนไปท่านไหนเราก็รู้อยู่แล้วทีนี้ไม่ภาวนาละจะถูกไหมไม่ต้องภาวนาและนุ่อยู่เฉยๆเนี่ย พองผองทองยุอมือคำเล่นดูนะเป็นหรือเปล่าไม่เป็นทาไมไม่เป็นก็เพราะไม่ได้ภาวนาทิ้งบริกรรมไม่ได้ในหลักต้องมีปริกรรมมภาวนาเมื่อมีบริกรรมก็ต้องมีอุปจารณ์บริกรรมมาภาวนาอุปจาระภานาอัปปนาภาณะท่าจะว่าไว้ทาไมต้องบริกรรมมาเอาง่ายๆา ย, ยัางโยมนี่แหละเดินไป ตามถนนหุนทางไปเห็นรถเห็นลาก็เห็นมิถุนกระถางไม่ไม่เป็นเอาโยมได้ดอกกุหลาบสวยๆสีแดงงามโยมก็ดูแหนดอกไม้นี่สวยเหลือเกินะนะไปดูดอกอะไรทิพิปหรือดอกอะไรที่จากเยอร ม, มันจากไรโนนมาเราเห็นว่ามันงามแล้วเราก็ดูโยมไปดูตลาดตลาดนัดไม่มีนกงามๆมีอะไรสวยๆไปดูไปจังดูโนนดูนี่เลย ดูด้ควคอมพินิษพิจารณาอย่างนี้เป็นกรรมฐานไหมไม่เป็นทำไมไม่เป็นเพราะไม่มีปริกรรมมาภาวนาถ้ากรรมฐานเป็นได้ก็สมายแล้ะจีเมืองไทยสําเร็จกันหมดแล้วป่านนี้ยังเอาตัวอย่างง่ายๆอย่างอาโปกสินนี่แหละน้ํานี่ยเราไปที่ไหนเราก็เห็นน้ำํำในข้ามเรือแม่น้ําพยาก็เห็นแต่ถ้าไม่ภาวนาว่าอาโปอาโปอาโปไม่เป็นกรรมฐานเราดื่มน้ำเข้าไปในปากเราไม่ภาวนามันก็ไม่เป็นกรรมฐาน ดูสิมันสำคัญอยู่ตกพาเรภาวนานะอันนี้เหมือนกันนั่นแหละแต่ไปนั่งรู้อยู่เฉยเฉยไม่ได้เออเราก็รู้อยู่ใช่ไม่ใช่ไม่รู้แต่รู้น่ะมันรู้ด้วยอะไรรู้โดยโมหะรู้ด้วยโลภะรู้ด้วยทิฏฐิรู้โดยวิตกรู้โดยวิจารมันรู้อย่างนี้ต่างหากไม่ใช่ไม่รู้สติขณะนั้นเป็นมิจฉาสติไม่ใช่สัมมาสติอืม ไปรู้มันไปรู้บัญญัดไม่ได้รู้ปรรมัตินะครับ น, นถ้ากําหนดเห็นเนอเห็นเนาะห น, นึ่งมันอยู่แค่เห็นนั่นมันเป็นปรรมัติไม่เลยไปถึงแตงความไม่เลยไปถึงผักบุ้งไม่เลยไปถึงกุ้งถึงปลาอยู่แค่เห็นเท่านั้นนั่นจึงจะเป็นปรรมัติเพราะฉะนั้นต้องกําหนดทาไมกําหนดเมื่อเขไม่เป็นกรรมฐานมันก็เป็นอย่างอื่นไปเสียอันนี้ น, นี่แหละคืออารมณ์ของวิปัสสนาที่ถูกต้องพร้อมทางการกําหนดด้วย ในภาคปฏิบัติต้องข่มนดรูปแล้วเราจะไปต้องท่องไหมพองเป็นรูปยุบเป็นรูปรูปเป็นนามต้องว่าไหมไม่ว่าขวาย่างเป็นรูปรูปเป็นนามสายย่างเป็นรูปรูเป็นนามว่าไหมไม่ว่าทําไมไม่ว่าทําไมว่าจะรู้จากรูปนามไหมอา้าวว่าทําไมล่ะหยมก็มันถูกอยู่แล้วถ้าไปว่ามันจะทันปัจจุบันหรือขวาย่างเป็นรูปมันเสร็จไปหมดแล้วไม่ทันแล้วสายย่างเป็นรูปไปเอาปัจจุบันตรงไหนละ่ะ มันเสร็จไปหมดแล้วจะมาว่าตามทําไมพุทธเจ้าห้ามไม่ใช่เหรออติตังนานวัคเมยะในพระเทกรัลตสูตรย่าอรูปนามที่เป็นอดีตมาเป็นอารมณ์ขวาย่างเป็นรูปรู้เป็นนามมันเสร็จไปแล้วจะต้องมาท่องทําไมท่องเอาประโยชน์อะไรซ้ายย่างเป็นรูปรู้เป็นนามพองเป็นรูปรู้เป็นนามยุบเป็นรูปรู้เป็นนามอันนี้เขาเอาไว้เทศถทวีระปฏิบัติไม่ทันแล้วกิเลสมันชอบนักแต่อย่างเนี้ยอนางอดีตเอาไม่ได้หรอก อตีตังนานวะคเมยะอย่าอารูปนามที่เป็นอดีตมาเป็นอารมณ์เพราะอะไรไรยทธตีตำปะินันตังเพราะมันเสร็จไปแล้วเอากลับคืนไม่ได้นับปฏิกังเชอนาคตังอย่าอารูปนามที่เป็นอนาคตมาเป็นอารมณ์เพราะอะไรอปรัปัตตนจะนาคตังเพราะมันยังไม่มาเพราะยังไม่เกิดเหลือจะอารมณ์อะปัจจุ ป, ปันังจะโยธรรมังตะะัฏะตัฏฐะนิปัสสติ ต้องเอารูปนามที่เป็นปัจจุบันเท่านั้นจึงจะรู้แก้งแทงตลอดมักผลนิพพานในที่นั้นนั้นได้เนี่ยว่าไว้ช้าเหลือเกินสมเด็จพ่อเทศไปชัดมากนะถ้าเราไม่เข้าใจกันนึกว่าง่ายเนี่ยเอาจะว่าก้าวเป็นรูปรูปเป็นนามอันนี้มันสําหรับเทศให้คนฟังสังหะรเอามาปฏิบัติไม่ทันกินแล้วกิเลสมันเอาไปกินหมดอืมมันจะทันปัจจุบันตรงไหนเมื่อ อ, อดีตก็ผิดอนาคตก็ผิดไม่ถูกปัจจุบันก็ผิดบดนี้ นี่พระไตรปิดดอกนี่สมเร็จพ่อเทศไปอย่างนี้อืมเราก็ผิดผิดมันก็ไม่ได้ผลมันก็ได้นิดเดียวเท่านั้นแหละเอาสําหรับเทศให้คนฟังสําหรับประเทศเป็นปริยัตให้ฟังเข้าใจง่ายๆตั้งหากคลองเป็นโลกยุบเป็นโลกวัว เ, เป็นน้ําไอ้นี้ม า, ม า, ม า, มาเทศให้คนฟังจะได้ง่ายขึ้นแต่เวลาปฏิบัติมาท่องอยู่นี้ไม่ทันแล้วไม่ทันกิเลสแล้วเพราะไม่ทันปัจจุบันนี่ปรินาต้องการนารมปัจจุบันอ่าอันนี้เรียกว่า กำหนดท้องพองยุบนี่ถูกอารมณ์ของวิปัสสนาที่แท้จริงในงยังถูกแล้วนะทีนี้ทางตาล่ะอ้อาวทางเดินกว่าไปแล้วนั่งกำหนดพองยกบกว่าแล้วถูกแล้วเีเอาใหม่ทางตาเรามองเห็นสีขาวขาวสีกําแพงสีอะไรก็ตามแล้วเราไม่พอนานดูอยู่เฉยเฉยเป็นไหมเป็นอะไรเป็นกรรมฐานไหมไม่เป็น สมถะก็ไม่เป็นวิปัสสนาก็ไม่เป็นสมมุติเห็นสีขาวนี่มันเป็นโอทาตกรสินเพ่งสีขาวเป็นอารมณ์พระพุทธเจ้าให้บริกรรมโอทัดตังโอทัตตังโอทัดตังสีขาวสีขาวสีขาวสีขาวสีขาววิตกยกขึ้นสู่สีขาววิจารใจวนรอบอยู่กับสีขาวฮัทต้องบริกรรมไม่บริกรรมเป็นกรรมฐานไม่ได้ทีนี้จะให้เป็นวิปัสสนาล่ะอันนั้นมันโอทัตะนี่เป็นสีขาวเป็นบัญญัติเป็นสมมติาน ต้องการให้ได้ฌานสมาธิเกิดได้ทีนี้ถ้าให้เป็นวิตรปรสนามเขาไม่ได้เอาสีขาวเอาเฉพาะสีวันนะเปรตสีเสียอะไรก็ได้ภาวนาว่วาเห็นเนอะเห็นเนอเห็นเนาะเอาแค่เห็นไม่ให้เลยไปถึงขาวไม่ต้องว่าขาวนี่ตัวปรามัตดสีนี่เป็นปรามัดบาลีเรียกว่าวันนะเปรตสีเอาเฉพาะสีเท่านั้นจะเป็นขาวเหลืองแดงไหมวะถ้าไปขาวขาเหลืองแดงดำลงไปจะเป็นบัญญัติปรามัตดเอาแค่สี เอาละแค่เห็นเห็นเนอเห็นเนอให้อยู่ที่เห็นเห็นนีกตั้งสติไว้ที่ตาไม่ใช่ไปถูกสีโนดถ้าตั้งไม่เป็นมันก็ไปเลยถึงสีอะขาวพก็ไปขาวไปเลยให้ตั้งสติไว้ที่จักรุาษาทรุปัสสาตาตรงนี้พภานาว่าเห็นเนอเห็นหนอเห็นเนอขันห้าเกิดหรือยังขณะที่ตาเห็นเกิดแล้วตรงไหนเป็นรูปสีสีขาวสีเหลืองสีแดงนั่นเป็นรูปอะไรอีก ประสา ต, ตาตานี่ยหละเป็นรูปอย่าทิ้งอย่าลืมตัวของเราในนงขันแล้วถ้าเห็นสีขาวสีเหลืองสีแดงใจรู้สึกสบายเป็นเวทนาขันจําได้มั น, นเป็นสีสัญญาขันแต่งหเห็นสีนี้ดิลมณีสังขันผู้ที่เห็นนั่นคือวิ ญ, ญญาณไม่ใช่ตาจิตอาศัยตาเกิดขึ้นครบห้าขันพอดีพอดีก็เมื่อขันห้าเกิดทางตาได้แล้วอารมณ์เขามีปรัชนาที่ถูกต้องที่สุดก็เกิดตรงนี้ ืมภาวนาว่าอย่างไรก็เห็นเนอะเห็นหนอะไม่ภาวนาเป็นกรรมฐานไม่เป็นเพราะเหตุไรเพราะไม่มีปริกรรมมาภาวนาเก็ดูด้วยอะไรดูด้วยโมหะดูด้วยทิฏฐิดูด้วยโลภะดูด้วยวิตกวิจารณเขาเรียกว่าญาณคติธรรมคล้ายตัวปัญญาแต่ไม่ใช่ปัญญานะอทีนี้ตาหูได้ยินเสียงตีระฆังเต็งเต็งเต็งเต็งเราฟังเฉยเป็นกรรมฐานไหมไม่เป็น อมันก็รู้อยู่เฉยๆเนี่ยนะจิตมันเป็นสมาธิรู้อยู่ไม่ต้องภาวนาเนี่ยเป็นไหมไม่เป็นไอสุนัขมันได้ยินไหมได้ยินแล้วมันต่างกันตรงไหนอ่ะฮะตีละคังหมามันหอนพอมันได้ยินมันก็ทบหูเขาเนี่ยอคนฟังกับสุนัขได้ยินเสียงมันต่างกันตรงไหนเ้าก็ได้ยินเหมือนกันนี่แต่ไม่ได้ยินมันก็ไม่หอนเลยเนี่ยเพราะฉะนั้นคณะที่ได้ยินไม่ได้กําหนดนี่ก็ได้ยินด้วย ยาณัคติธรรมนังที่กล่าวมาแล้วถ้ากาหนดจึงจะเป็นกรรมฐานไม่กําหนดไม่เป็นไม่เป็นรู้ไม่รู้รู้โดยอะไรรู้ด้วยสติเหมือนกันรู้ด้วยสติเหมือนกันรู้โดยทิฏฐิไม่รู้รู้ด้ยโลภะรู้ดวยวิจตวิจาร์ู้แต่อันนั้นมันเป็นมิจฉาสติทาไมจึงเป็นเพราะมีโมหะเพราะไม่ได้กำหนดเมื่อไม่กําหนดมันก็เป็นมักไม่ได้ต้องกําหนด ได้ยินนาะได้ยินนาะยินนาะยินเนาตั้งสิ่เนื้อที่ไหนที่หูแม่มันเป็นอย่างนี้นะจมูกได้กลิ่นหอมหม็เหมือนกันถ้าเรากลิ่นหอมแม่หอมทุเรียนนะแม่หอมเนื้อเขากำลังปลิ้งเนื้อหมูเนื้อเป็ดเนื้อไก่หอมแมะอย่างนี้ละ่ะอย่างนี้เป็นไหมเป็นกรรมฐานไหมไม่เป็นเพราะอะไรเพราะไม่ได้กำหนดเป็นไงก็เป็นโมหะโลภทิฏทิวิตวิจารอืม ถ้าจะให้เป็นกรรมฐานต้องกำหนดกลิ่นนอกลิ่นนอหอมก็ไม่ไหนหอมก็เป็นบัญญัติเม้นก็ไม่ไหนเม้นก็เป็นบัญญัติต้องเอาปรมัาทล้วนคือกลิ่นนอกลิ่นนอกลิ่นนี้เป็นปรมัาทไม่ใช่บัญญัติยิเลศเกิดบัญญัติไม่เกิดปรมาทเพราะฉะนั้นจึงต้องกําหนดเฉพาะกลิ่นกลิ่นนอกลิ่นนอตั้งสติวิที่ไหนที่หมอกกระทะหรือว่าที่ไหนที่จมูก สมมติเขาทอดอาหารอยู่ใกลๆเราก็นั่งกรรมานกลินมันชียเข้ามาจมูกแล้วหอมเราต้องกำหนดกลิน่นเนาะเป็นนอดที่จมูกไม่ใช่แวบออกไปถึงกระทะที่กำลังทอดโน้อนอันโน้นัแล้วบันหยัดเกิดแล้ว ก, กิเลสเกิดแล้วไอ้กำหนดที่จมูกกลิน่นเนอะกลิ่นเนอะกลิ่นเนอะมันเป็นกรรมฐานตรงไหนเป็นอนิจจังตรงไหนอาการที่กลิก่นกระทบจมูก น, นีก่แหละกลิ่นมันเป็นรูปตรงไห ไอ้กําลักิ่นน้อยกลิ่นน้อยกลิ่นมันจะมากเข้ามากเข้าหรือน้อยลงน้อยลงเรือห้ไปนี่เป็นอนิจจังอาการที่กลิ่นทนอยู่ไม่ได้เขาเรียกทุกขังทุกอริยสัตว์ไม่ใช่เจ็บไม่ใช่ปวดนายโยมนะทุกเพราะรูปกับนามเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปอืมจะบังคับไม่ให้มันหายก็ไม่ได้ไม่ให้มนมากก็ไม่ได้ให้มันน้อยก็ไม่ได้นั่นเขาเรียกอนัตตาบังคับบัญชาไม่ได้ อันนิดจังทุกขังตาอยู่ที่เดียวกันอาการทิกลิ่นมันมากเข้ามากเข้าจนไม่แทบจะแย่แล้วนี่ก็เป็นอันนิดจังอาการที่กลิ่นมันทนอยู่ไม่ได้มันจึงมากขึ้นแทนที่จะมีน้อยเท่าเดิมไม่ได้มากเข้ามาเข้าหรือให้ไปในกระทุกขังจะบังคับไม่ใหม้ม า, มากไม่ให้น้อยไม่ห้หายหรือให้มัน นี่ก็ไม่ได้นั่นอ น, นัตตาเขาอยู่ที่เดียวกันพระพุทธเจ้าตจะพระพุทธได้เห็นอนิจจังถูกครังอนัตตาก็เห็นแล้วพูทธได้เห็นทุกครั้งอนิจจังอนัตตาก็เห็นแล้วพูทธได้เห็นอนต์ตาอนิจจังทุกขังก็เห็นแล้วมันอยู่ที่เดียวกันไม่ใช่คนละอันไม่ใช่เห็นคนละทีนะอืมอันนี้สําคัญตรงนี้นะเป็นทีนี้ลิ้นได้รสก็เหมือนกันอา้าวโยมเคี่ยวอาหารสิ ขนานี้โยอเอ้าสมมติโยอเอากล้วยกล้วยน้าว้าเขาเ้าไปในปากโยเชียช้ยวหนอะเคี้ยวหนอะไม่เชี้ยวเป็นกรรมฐานไหมไอ้ไม่กำหนดเป็นไหมไม่เป็นอ่ะโยเคี้ยวโยมทานข้าวทุกวันโด น, นเป็นกรรมฐานไหมไม่เป็นเออเราก็รู้อยู่นี่นะว่ารสอาหารมันเป็นยังไงอันนี้รสไก่ย่างมันอร่อยแล้วก็รู้ไก่ย่างเข้าเหนียวเปลือข้าปลาคลุยเนี่ยหรือข้าวโอชาเนี่ยขาย้าวเหนียวกัเจ้าผสมกัน ไก่ย่างสักชิ้นตมเลอเอา้าเชี่ยวไปเชี่ยวไปไมยอร่อยเรก็รู้ใช่ไหมรถเนี่ยรู้ว่ามันอร่อยเค็มก็รู้หวานนิดหนึ่งก็รู้รู้รสอยู่ไกอย่างมันรสเป็นอย่างนี้นี่รู้อยู่นี่อะไรรู้สติแต่สติอันนี้เป็นกรรมฐานไหมไม่เป็นเพราะเหตุไรเพราะไม่ได้ภาวนาอืมปริกรรมภานาไม่มีสตินี้เป็นไรเป็นมิจฉาสติรู้ผิดระลึกผิด ไม่ใช่สัมมาสติแล้วเพราะเห็ุไรเพราะขาดภาวนาอ่าัง น, นั้นต่างกันนะจะถือว่าฉันเนื้อไก่ไข่ข ย, ย่างกับข้าวเหนียวแล้วมันก็อร่อยแล้วมันก็รู้อยู่นี่นะมันจะเป็นกรรมฐานไ ม, ไ, มไม่ได้แต่ที่นี่เป็นอารมณ์ของวิปปนาที่ถูกต้องในตรงไหนรถกับลิ้นที่กระทบกันนั้นแหละคันห้าเกิดแล้วหนึ่งรถสองชิวหาปสาทลิ้น เป็นรู ป, ปขันทารถมากระทบลิ้นโยมรู้สึกสบายไม่สบายรู้สึกอ่าอร่อยไม่อร่อยนี่แหละนี่แหละเวทนาขันจําได้วันนี้รสไก่ชิ้นนี้ดียั่งเลยนี่สัญญาขันแต่ไงเห็นว่าอืออ่าง น, นี้มันเขามีขายที่ไหน น, นออาแล้วสังขารขันแล้วที่รู้รสวิญญาณคือกิจครบรสขันแล้ว เมื่อขันห้าเกิดทีลิสเนี่ยอารมณ์ของวิปัสนาที่ถูกต้องเกิดแล้วอยังเกิดแล้วแล้วจะภาวนาอะไรรถหนอรถหนอตั้งสติไว้ที่ไหนทีลินอืมตรงที่รถมันเกิดทีลิสนั่นแหละรถหนอรถหนอแล้วมันเป็นอนิจจังทุกขงังนาตาตรงไหนอาการที่รถนั้นมันคอยสิ้นไปสิ้นไปจากน้อยเป็นมากมันอร่อยปรากฏชัด ขึ้นชัดขึ้นนั่นแหละจากนิดหนึ่งเป็นมากนั่นเป็นอนิจจังเพราะว่าสิ้นไปแล้วอาการที่รถมันทนอยู่ไม่ได้มันทุกขังจะบังคับไม่ให้รถมันเกิดขึ้นหรือมันหายไปไมืไหร่นั่นอนัตตามีอยู่ที่ตรงขันธ์หาเกิดตรงนั้นอนิจจังทุกขังตางก็เกิดนั้นกำหนดตรงไห น, นเป็นอารมณ์ของมิปัจจนาที่ถูกต้องตรงนั้นนี่ทางลิ้นนะเอากายของโยมสมมุติโยมนี่แหละเอาเมือไปจับเนื้อไก่ชิ้นที่ว่าเมื่อกี้นี่นะนี่ตองเวลาทานข้าว ตาเห็นโยมก็หนดเห็นเนอะนี่สติเกิดแล้วตั้งสติวัติตาพอมือถูกปั๊ถูกหนอนี่เกิดดีแล้วพอยกมาเข้าปากเคี้ยวหนอเคี้ยวหนออยู่ขากรรไกรข้างล่างนี่ตรงไหนเป็นขันท่าเวลาถูกอะ่ะไอ้มือโยมกระทบกับเนื้อไก่ชิ้นไก่ที่จะมาเข้าปากตรงนั้นแหละเรียกว่าหดทพะมันกระทบกันแล้วเนื้อไก่กับมือโยมเป็นรูปประขันเมื่อมือไปถูกเนื้อไก่เขาเรารู้สึกยังไง รู้สึกสบายมือไหมสบายน้านี่เป็นสุขเวทนาเป็นเวทนาขันถ้าเฉยก็อุเบกขาอย่าจาได้เนี่เป็นเนื้อไก่นี่สัญญาขันที่แต่งให้นะเออเนื้อไก่ที่นี่ดีนะเขาทําทอดจะเตรียมเลยนี่สัญสังขารขันที่รู้ว่าเป็นเนื้อไก่ที่รู้ว่ามันโทกนั่แหละวิญญาณครอบห้าขันปริีมือโพขพขันห้าเกิดแล้ว เมื่อขันห้าเกิดอารมณ์ของวิปัสสนาที่ถูกต้องเขามีแล้วที่ตรงนี้อันกาหนดถูกเนาะถูกเนาะถูกเนาะใช้ได้แล้วนี่นี่แหละอารมณ์ของวิปัสสนาที่ถูกต้องมันก็อยู่ตามนี้มันเกิดได้ทั้งตาเกิดได้ทั้งหูเกิดได้ทั้งจมูกเกิดได้ทั้งลิ้นเกิดได้ทั้งกายเกิดได้ทั้งใจใจก็เกิดได้ใจโยมนึกถึงอะไรต่างๆคิดเนาะเห็นแล้วกหนดหูใจโยมถูกต้องแล้วนี่เป็นอารมณ์ของวิปัสสนาที่ถูกต้องเรากําหนดตามอย่างนี้ได้ จริยาบทใหญ่จริยาบทใ่อ่ได้ทั้งนั้นพระพุทธเจ้าก็ให้กําหนดละเอียดลงไปถึง22อย่างเห็นไหมเอาลงของปัญญาที่ถูกต้องที่สุดน่ะ22ข้อ ห, หมดในะละเอียดเข้าไปยึดลงไปเลยอลองนึกดูสิ22ข้อนั้มเป็นอะไรบ้างน่ะพิษ ก, กันเตปฏิ ก, กันเตใช่ไหม่ะให้กําหนดหมดเลยละเอียดหมดเลยในลักษณะของรูปเนี่ย เวลาเจะจะก้าวไปจะถอยหลังพระองค์ก็ให้กําหนดรู้หมดเลยเห็นไหมเออจะคู่จะเหยียดจะคุ้มจะเงยพระองค์ก็ให้กําหนดรู้หมดเลยยี่สิบสองข้อนั่นเองนะอภิกันเตปฏิกันเตสัมปชนาการิโหติเวลาถอยเวลาก้าวไปข้างหน้าก็ดีหรือถอยกลับก็ดีแหมเรากำหนดถอยเน้อถอยน้อก้าวน้อก้าวน้อก็ถูขันห้า ถ้าไม่กำหนดไม่ถูกไม่เป็นแล้วเราจะเลี้ยวซ้ายแลวขวาถ้ากำหนดเลี้ยวเนอะเลี้ยเนอะจึงจะเป็นวิปัสสนานี้ก็ถูกขันห้าแล้วเลี้ยวเป็นรูปรูปเป็นนามถูกหมดแล้วจะพาดสังขติอุ่มบาดผมจีวรจะนุ่งผ้าใส่เสื้อใส่ผ้าถูกหมดแล้วถูกขันห้าแล้วเมื่อถูกขันหน้าก็เป็นอารมณ์แล้วเราจะรับทานอาหารจะดื่มจะเคีเ่ยวจะลิ้มก็ให้กำหนดรู้ภาวานาว่ารับทานเนาะหรือดื่มเนาะเคี่ยวเนาะลิ้มเนาะ จึงจะเป็นนะแม้หมวดที่ห้าจะถ่ายอุจจาระปัสสาวะก็ให้กําหนดรูปถ่ายนอถ่ายหนอนี่ถ้าไม่กําหนดไม่เป็นนะหมวดที่หกการเดินยืนนั่งหลับตื่นพูดนิ่งก็ให้กําหนดรูปภาวนาวัดเดินนอหรือยืนนอหรือ น, นั่งนอหลับนอตื่นนอพูดนอนิ่งนเอเป็นทางนั้นยี่สิบสองข้อเรียกว่าสัมปชัญญปะปปะในพระไตรปิฎกไม่ใช่ธรมาแต่งนิยมนะ อย่างนี้แหละอารมณ์ของวิปนาที่ถูกต้องโยมต้องการให้ทราบในภาคปฏิบัติกําหนดอย่างนี้ถ้าเราไม่กําหนดอย่างนี้ก็ไม่เป็นแล้วนะท่านสาธุชนผู้ใจบุญทลายวิปัสนากรรมฐา น, นกันนี้ว่าถึงอารมณ์ของวิปัสนาที่ถูกต้องเป็นกันที่สองสืบต่อจากกันก่อนคอนโนนเนื่องจากคณะญาติโยมนักปฏิบัติธรรมจากจังหวัดสมุทรสงครามต้องการให้ ลิงเหล่านี้เพื่อจะไปเปิดฟังพระญาติโยมชาวสมุทรสงคารามจานวนมากทางพระและอญาติโยมทั้งหลายมาปฏิบัติจริงจังเพื่อจะไปฝึกผลอบรม ล, ลูกหลานสืบต่อไปด้วยอตมาขอโมทนาในที่สุดนี้ด้วยอำนาจคุณบัณฑิตออระดับไตรยอติไสบุญยเขตพระญาติโยมผู้ใจบุญนวายจงอยู่เย็นเป็นสุขปราศจากทุกโศกภยัยเจริญโวยอายุวรนลนะสุขภพละปฏิพานธรรมสารสมบัติตลอ ด, ลอดการเป็นนิด มีดวงจิตสถิตมั่นอยู่ในสัจจธรรมนำตนให้พ้นทุกข์ถึงสุขอันไพ่บูรด้วยกันทุกท่านเทิญ